เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในบุญในกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดี อันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริงเพราะความสุขและความเจริญนั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและไม่แท้จริงส่วนใหญ่พวกเราจะหลงติดอยู่กับความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริงก็คือเป็นความสุข ที่มีความทุกข์คราเขาไปด้วยเป็นความเจริญที่มีความเสื่อมตามมาส่วนความสุขที่ไม่มีความทุกข์คราเขาความเจริญที่ไม่มีความเสื่อมพวกเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสได้สะสมได้บำเพ็ญกันเท่าไหร่เนื่องจากใจของพวกเรานั้นมีความหลงคือโมหะ ครอบงำจิตใจจึงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความสุขและความเจริญที่ไม่แท้จริงนั้นเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงและเห็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงว่าไม่ใช่เป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงชีวิตของเรา จึงต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องเผชิญกับความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่เข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่มีดวงตาสว่างสวยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมที่ลบล้าง ความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปได้หมดพวกเรานี้มีแสงสว่างอยู่บ้างเราจึงเข้าหาผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่จะให้ความสุขและความเจริญแก่เราอย่างแท้จริงและพยายามละความสุขความเจริญที่ไม่แท้จริงให้มีน้อยลงไปความสุขที่ไม่ที่ไม่แท้จริงนั้นก็คือความสุขทางโลกความสุขที่ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆ เวลาที่เราได้ดื่มได้รับประทานสิ่งที่ถูกปากถูกใจเราเราก็มีความสุขแต่มันก็เสื่อมหมดไปหลังจากที่เราได้เสพได้สัมผัสมันแล้วก็สร้างความอยากความหิวความต้องการอกีกและถ้าเราไม่ได้เสพตามความอยากตามความต้องการเราก็จะรู้สึก ทุกขึ้นมานี่คือตัวอย่างของความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ต่อให้เราได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเรามีแต่จะสร้างความอยากความต้องการให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆและต้องทำให้เราต้องไปดิ้นรนแสวงหาความสุขทางโลกมา บางครั้งก็ต้องมีการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีกันบางครั้งก็ต้องเบียดเบียนกันแล้วก็นําความทุกข์ความวุ่นวายใจมาให้กับเราพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วเพราะพระองค์ก็ทรงเคยได้เสพได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้มาก่อนแต่ทรงเห็นว่าไม่ได้ทําให้จิตใจสงบเย็นเป็นสุข แต่กลับทำให้จิตใจมีความรุ่มร้อนด้วยความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆและจะทำให้จิตใจต้องไปทำในสิ่งที่เสื่อมเสียแทนที่จะทำสิ่งที่เจริญก็จะไปทำสิ่งที่เสื่อมเสียเช่นไปเบียดเบียนผู้อื่นไปแก่งแย่งชิงดีกันพระพุทธเจ้าจึงทรง พยายามละความสุขแบบนี้นอกจากความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ์แล้วความสุขและความเจริญทางด้านวัตถุเช่นเข้าของเงินทองก็เป็นเช่นเดียวกันความสุขทางตำแหน่งต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ก็เช่นเดียวกันความสุขความเจริญทางด้านสรรเสริญเยือนยอ ก็เช่นเดียวกันเป็นความสุขความเจริญที่ไม่จรรังถาวรไม่ได้ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะไม่ได้ทำให้ใจนั้นดีขึ้นแต่อย่างไรใจไม่ได้มีคุณธรรมที่ดีงามเพิ่มขึ้นเช่นความความเสียสละการให้ความเมตตาการุณาก็ไม่ได้มีมากเพิ่มขึ้นไปกับการเจริญ ทางด้านวัตถุเช่นข้าวของเงินทองแต่กลับทําให้กลายเป็นคนมีความตนีมากขึ้นมีความโงงแหงนมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความโลภมากขึ้นคนที่รวยนี้ส่วนใหญ่พอรวยแล้วมักจะหวงเงินทองที่ตนเองหาได้มาแล้วก็มีความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณาไม่คิดถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะใจนั้นถูกความโลภความตนีความหวงนี้ฉุดลากไปใจแทนที่จะเจริญตามลาบยศสรรเสริญกับเสื่อมลงไป เนื่องจากขาดคุณธรรมอันดีงามที่จะทำให้เป็นใจที่สูงเป็นใจที่ประเสริฐได้พระพุทธเจ้าจึงทรงได้สละสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดสละลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาบำเพ็ญความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ ด้วยการอยู่แบบเรียบง่ายส ม, มถะมักน้อยสันโดษตั้งอยู่ในศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะโอดอยากขาดแคลนลาบากลาบนมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ไปแก่งแย่งชิงดีไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ ตนเองปรารถนาแล้วก็พยายามต่อสู้กำจัดความโลภความตนีความหวงความเห็นแก่ตัวความโกรธต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปด้วยการบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตตะภาวนาคือทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญา ให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับจิตใจได้อย่างแท้จริงไม่มีอะไรให้ความเจริญกับจิตใจได้อย่างแท้จริงมีเพียงแต่คุณธรรมความดีงามเช่นความเมตตากรุณาความเสียสละการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดพร้อมกับได้รับความสุขที่ดีขึ้นไปตามลำดับไปด้วยจนถึงจุดขั้นจนถึงสุขที่สูงสุดเช่นเดียวกันเกิดจากการบำเพญ็ญทางด้านคุณธรรมความดีงามทางด้านบุญทางด้านกุศล ดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เรามาทำบุญให้ทานก็เท่ากับการมาลดละมาชำระความเห็นแก่ตัวความตนตีความโลภให้มีเบาบางลงไปมารักษาศีลกันไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดเพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราด้วยเพราะหลังจากที่เราไปาาเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราจะมีความรู้สึกวุ่นวายใจไม่สบายใจเพราะการกระทาที่ไปไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นนั้นย่อมมีผลย้อนกลับมาหาที่ใจของเราเช่นเดียวกับการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขความดีนั้นก็ย้อนกลับมาหาที่ใจของเราทำให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิกใจมีความภูมิใจมีความพอใจ จะทำให้เราไม่มีความหิวความกระหายความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆคือลดความอยากเหล่านี้ลงไปตามลำดับถ้าเราทำบุญได้มากเท่าไหร่สร้างกุศลได้มากเท่าไร่ความหิวความอยากในสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญสุขก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆทำให้เราอยู่อย่างสุข อยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆก็เป็นสุขไม่ต้องไปดดินรนไปแก่งแย่งชิงดีหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาคนมาเป็นคู่ครองของเราเพราะบุญนักกุศลความดีงามต่างๆที่เราวางเพนนั้นจะทำให้จิตใจของเราไม่กระหายไม่อยากไม่ต้องการ นี่แลคือวิถีทางของการสร้างความสุขและสร้างความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่การทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและอยู่ที่การลดละการกระทาบาปทั้งปวงเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้านเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจเสื่อมลงและมีความทุกข์มากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามกำจัดมันออกไปจาก จิตจากใจแล้วก็ให้ชําระสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างข้ามวุ่นวายใจสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้เบาบางลงไปและให้หมดไปเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้ ไม่มีความจำเป็นต่อความสุขและความเจริญของจิตใจเลยมีแต่จะคอยขัดขวางความสุขและความเจริญและฉุดลากให้จิตใจเสื่อมลงไปต่ำลงไปสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจึงต้องพยายามชำระความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ก็เป็นการชำระความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นการชำระความโลภ ก, การรักษาศีลก็เป็นการเบรคหรือหยุดความโกรธไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถึงแม้จะมีความโกรธ ก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่เสียหายเช่นไปพูดคาหยาบไปด่าว่าผู้อื่นหรือไปทุบทาร้ายร่างกายของผู้อื่นหรือข้าวของต่างๆของผู้อื่นเป็นเพียงการเบรกความโกรธไว้แต่ยังไม่สามารถดับความโกรธได้แต่อย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น แล้วก็ไม่เอาความเดือดร้อนนั้นกลับเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะถ้าเราไม่สามารถห้ามความโกรธได้หรือห้ามความโลภได้แล้วปล่อยให้ไปทำผิดศีลผิดธรรมปล่อยให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ เดี๋ยวไม่นานผลเสียของการกระทำเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราจะต้องมีเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมาอย่างแน่นอนถ้าไปลักทรัพย์ไปฆ่าผู้อื่นก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเบืองมาจับไปลงโทษถ้าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็จะถูกผู้อื่นเคาระนานว่าเป็นคนไม่ดี ไม่มีสัจจะถ้าไปเสพสุรายาเมาก็จะไปสร้างความวุ่นเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นขับรถไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เช่นนั้นก็ไปทะเลาะเบาแวงไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับผู้อื่นจนถึงกับการต้องมีการทำร้ายร่างกายกัน หรือฆ่ากันตายไปเมื่อทำแล้วก็ต้องไปใช้โทษขณะที่ยังไม่ได้รับใช้โทษก็ต้องวุ่นวายใจต้องหวาดระแวงหวาดกลัวคอยหลบหน้าคอยหลบหนีผู้ที่จะตามมาคิดบัญชีนี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่มีศีลไว้คอยยับยั้งความโลภความโกลี และความหลงของเราแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้เพราะความโลภความโกรธและความหลงนี้เกิดจากความไม่รู้ความจริงนั่นเองความจริงที่พวกเราไม่รู้คืออะไรเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เราจึงไปคว้าเอาความสุขและความเจริญที่ไม่แท้จริงที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดว่าเมื่อมีแล้วจะมีความสุขจะมีความเจริญเช่นถ้ามีเงินมากๆแล้วจะร่ำรวยจะมีความสุขมีความเจริญมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆจะ มีความเจริญมีความสุขมีคนคอยสรรเสริญเยินยอยอกย่องและมีความสุขมิดล ะ, ะการได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆคิดว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่เหมือนกับยาเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาผม ที่ไม่จีรังถาวรพอน้ำตาลที่เคลือบยาขมนั้นละลายไปแล้วความขมมันก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เราได้จากการได้ลาบยกสละเสริญสุขก็ไม่จีรังถาวรเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจแต่หลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมา มีหมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันได้เงินมาแล้วใหม่ๆก็ดีใจแล้วไม่นานก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษามาหวงแหนเวลาใครจะมาขอบ้างก็ไม่อยากจะให้อยากจะเก็บไว้ใช้เพียงคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่ง เมื่อตายไปก็ต้องทิ้งเงินทองเหล่านี้ไปหรือถ้าเอาไปใช้ไม่นานมันก็หมดหมดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเคยใช้เงินใช้ทองติดเป็นนิสัยพอไม่มีเงินทองหรือเงินทองขาดมือก็วุ่นวายใจก็ต้องไปดิ้นรนหามาใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าหามาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ได้ก็ต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตเช่นไปหลองยืมเงินของผู้อื่นหรือไม่เช่นนั้นก็ไปลักเล็กขโมยน้อยไปทำผิดศีลผิดธรรมนี่คือความทุกข์ที่ตามมาเช่นเดียวกับยศถาบรรดาศักดิ์ตาแหน่งต่างๆก็เช่นเดียวกันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาตั้งให้เราเป็นเจ้าอาวาสวันนี้พุ่นี้เขาก็ปลดเราออกจากเจ้าอาวาสได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีการเสื่อมเป็นธรรมดาหรือไม่เช่นนั้นเมื่อเราหมดความสามารถเขาก็ต้องปลดเราออกไปเราทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารพอเราไม่มีความสามารถที่จะหาเงินให้กับเขาได้ เขาก็ต้องปลดเราออกจากงานไปเช่นเวลาอายุเรามากแล้วเขาก็ต้องเกษียณเราเพราะเราไม่สามารถทํางานให้กับเขาได้ต่อไปตําแหน่งต่างๆก็หมดไปบริษัทบริวารผู้คอยกย่องสรรเสริญย่นยอก็จะหายไปหมดเพราะเขาไม่ได้อะไรจากเราแล้วที่เขาสรรเสริญยกย่องยินยอเรา เพราะเราหวังเขาหวังประโยชน์จากเรานั่นเองเห็นเรามีตำแหน่งสูงๆเขาอยากจะได้อะไรเขาก็มาขอเราเราก็ให้เขาได้แต่พอเราไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจวาสนาแล้วเราก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปพอเมื่อถึงเวลานั้นแล้วใจของเราจะมีความว้าเหวเศร้าส้อยง่อยเหงาเพราะ ไม่มีความสุขทางโลกมาคอยเหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองนี่คือความสุขและความเจริญที่ไม่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามลดละอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าเกิดมีมาด้วยอำนาจวาสนาบุญบารมีที่เคยได้ทำไว้ก็อย่าไปยึดติด พยายามสอนตัวเองเตือนตัวเองเสมอว่าเป็นสมบัติผลกรรมชมเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่จากเขาไปก่อนเขาก็จากเราไปก่อนดังนั้นถ้าเรามีปัญญาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนสติอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับลาบยศสรรเสริญสุข และเราจะหมั่นสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงด้วยการทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยการลดละบาปกรรมทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอและด้วยการชาระความโลภความโกรธความหลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเช่นฟังเทศฟังธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่จรังถาวรไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สมบัติของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดและให้เรารู้ว่าสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดคือความสุขและความเจริญที่จะอยู่กับเราไปตลอดนั้นก็คือบุญและกุศลนี่เองคือการบำเพ็ญความดีงาม เช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบและกำจัดเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้นอกจากการบำเพ็ญทานศีลและภาวนานี้เท่านั้น ทานเราก็บำเพ็ญกันแล้วศีลเราก็รักษากันอยู่จะได้กี่ข้อก็แล้วแต่ความสามารถความพยายามของแต่ละคนแต่อย่างน้อยก็ควรรักษาศีลทั้งห้าข้อให้ได้อย่างสม่ำเสมอและในวันพระก็ควรที่จะรักษาเพิ่มขึ้นเป็น8ข้อคือศีลข้อที่สี่ก็เปลี่ยนจาก การไม่ประพฤติผิดประเวณีไปเป็นการไม่ไม่เสพกามไม่ไม่หลับนอนกับคู่ครองที่เรียกว่าศีลพรหมจรรย์และเพิ่มศีลข้อหไปคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อที่เจ็ดก็ให้ละเว้นจากการ ใช้เครื่องสำอางน้ำหอมแต่งตัดต่างๆและไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสวยสดนดงามให้แต่งกายแบบเรียบง่ายไม่ต้องแต่งหน้าทาปากอาบน้ำด้วยสบู่หวีผ้าหวีผมก็พอแล้วเพราะความสวยงามของคนเราไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่ คุณงามความดีคือศีลธรรมถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่หลอกลวงผู้อื่นก็จะเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดีถ้าเบียดเบียนถ้าหลอกลวงผู้อื่นถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไรก็ตามก็จะไม่เป็นที่น่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วย พระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้เราอย่าไปเสียเวลามากกับการดูแลสังขารร่างกายเพื่อให้สวยให้งามเพราะธรรมชาติของมันนั้นจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่อให้สวยขนาดเป็นนางงามจักรวาลก็จะต้องแก่ต้องเป็นคนแก่ไปสักวันหนึ่งเป็นคนไม่สวยไปได้สักวันหนึ่งเพราะสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ แต่ความสวยงามทางด้านจิตใจที่สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่มีวันเสือ่อมคลายมีแต่จะสวยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายแก่ลงมากไปเท่าไหร่แต่จิตใจกับสวยงามมากขึ้นไปด้วยการทำความดีต่างๆอย่างสม่ำเสมอจะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีเป็นผู้น่ารัก หน้าคบคาสมาคมอยู่เสมอดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นทั้งๆ ท, ที่พระองค์ได้เสด็จดับขันไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่ความสวยงามความน่าชื่นชมยินดีน่าคบคาสมาคมนั้นก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะความดีงามของท่านนั่นเอง เราจึงต้องอย่าไปหลงกับการเสียเวลากับการสร้างความสวยงามที่ไม่แท้จริงเพราะเป็นเหมือนกับการหลอกลวงผู้อื่นเราสวยทางด้านรูปร่างหน้าตาด้วยเสื้อผ้าอาภรรยแต่ใจของเรากลับเป็นเหมือนยักษ์เป็นเหมือนมาพอเขาได้เรามาเป็นคู่ครองแล้วเขาก็มาเสียใจภายหลังแล้วก็มาอยู่กันอย่างไม่มีความสุข มีแต่เรื่องมีแต่การทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอดังนั้นขอให้เราหันมาเสริมความสวยงามทางด้านใจของเราด้วยการถือศีลแปและข้อที่8ก็คือให้นอนบนพื้นธรรมดาปูผ้าหรือปูเสือ่ออย่าไปนอนบนเตียงนอนบนฟูกหนาหนา เพราะจะทําให้เราขี้เกียจทําให้เราน อ, นอนมากเกินไปทําให้เราติดความสุขแบบของสุกรคือพวกหมูทั้งหลายหมูนี่ชอบกินและชอบนอนร่างกายมันจึงอ้วนอิ่มมีพีมันไว้สําหรับให้เขาเอาไปเชือดเพื่อเอาเนื้อไปขายนั่นเองแต่คนเรานั้น คุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังคนตายไปแล้วไม่มีราคาอะไรไม่มีใครเอาไปขายตามตลาดไม่เหมือนกับสุกรสุกรนี้ยิ่งอ้วนเท่าไหร่ยิ่งมีราคามากขึ้นเท่านั้นแต่คนเรานั้นยี่งอ้วนเท่าไหร่กับเป็นภาระกับสับปเปลามากขึ้นเท่านั้นเพราะหนักโลงก็ต้องหาลงพิเศษลงธรรมดาก็ใส่ไม่ได้ ไฟก็ต้องใช้มากกว่าปกติเสียเปลืองค่าฟืนค่าไฟมากขึ้นไปอีกแต่คนเรานั้นคุณค่าอยู่ที่จิตใจอยู่ที่อยู่ที่การทำความดีจึงอยากหมดเวลาไปกับการกินการนอนกับการหาความสุขเพื่อตัวเราเองขอให้เรามาสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับผู้อื่น ว่าจะทำให้เรามีคุณค่าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในเบื้องต้นก็สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับตนเองก่อนด้วยการปฏิบัติธรรมกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจพอความโลภความโกรธความหลงหมดไปแล้วก็มีความสุขเต็มที่อยู่ในหัวใจมีความดีความกระเสริฐอยู่เต็มหัวใจ เพราะไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะเสียสละเวลานั้นมาทำความดีมาช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนธรรมะให้กับผู้อื่นเพื่อผู้อื่นจะได้มีแสงสว่างนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงต่อไปพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผู้ที่ประเสริฐเริ่มโลก เป็นผู้ที่น่าเคารพ บ, บูชาเลื่อมใสทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของพระพุทธเจ้าแต่ความสวยงามที่เกิดจากการทาดีของท่านนี้นี่แหละคือรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าชนะใจเราได้ด้วยความสวยงามนี้ต่างหากคือสวยงามทางด้านจิตใจ สวยงามด้วยคุณธรรมความดีงามต่างๆเราจึงควรที่จะยึดพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเราจะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงและจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ากราบไหว้บูชาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความดีมากับจัด ความโลภความโกรธความหลงมละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้กับจิตใจขอให้ท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและประโยชน์สุขที่แท้จริงก็จะเป็นของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้